พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่2โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2555ณกรมช่างทหารอากาศกรุงเทพมหานครมีชื่อเรื่องว่าหลวงพ่ออินถวายกับภาพป่ามหากุศล ก่อนที่พวกเราจะทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลมีการถวายพระทหารต้องสมาทานศินซะก่อนอันนี้คือสินนีคือคือชำระกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสินสิลคือกฎและเบียบ ก, ก่อนที่พวกเราจะรับสิ่งของที่มีคุณค่าก็ต้อง ล้างภาชนะให้สะอาดซะก่อนเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าจะทำการทำงานระดับไหนก็ตามคนนั้นต้องอยู่ในกฎระเบียบไม่ผิดกฎหมายในเมื่อม่ผิดกฎหมายเข้าไปทำการทำงานงานน่นก็ราบรื่นนี้ก็เหมือนกันการที่จะมารับบุญกุศลเข้าสู่จิตใจพวกเราก็จะต้อง ชาระกายวาจาให้เรียบร้อยเสียก่อนชื่อว่าศินศินห้าที่พวกเราจะรับต่อไปนี้ศินห้าที่พวกเราคงได้ยินกันแต่ว่าผู้ที่จะอธิบายให้ฟังเรื่องศีลธรรมหรือสินห้านในรายละเอียดโดยมากจะไม่ค่อยมีครูบาอาจารย์องค์ไหนที่เป็นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่จะอธิบายให้ฟัง ในรายละเอียดมีแต่ว่าเมื่อคณะทาญาติโวมไหว้พระแล้วก็อาราธนาศินเมื่ออาราธนาศินจบแล้วพระสงฆ์ที่เป็นประธานสงท่านก็ให้ศินไปเลยโดยมากพวกเราจะเห็นอย่างนั้นหลวงพ่อเองมาคิดถึงจุดนี้อีกเหมือนกันถ้าว่ามีครูบาอาจารย์ทำอย่างนั้นทุกครั้งไม่มีองค์ไหนที่อธิบายเรื่องศีลและธรรมให้แก่คณะทาญาิโวมฟังพวกเรารับศีลรับไปเพื่ออะไรมีคุณค่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไร และสินที่พวกเรารับเนี่ยเรื่องว่าเห็นเขารับมาคนโบราณเขารับมาประเพณีถือรับมาเราก็รับไปแต่คุณค่าในการรับศินนั้นเป็นอย่างไรโดยมากจะไม่ค่อยมีใครอธิบายเมื่อไ ม, ไม่มีใครอธิบายคำนี่มันก็เหมือนกับถือมาแล้วก็ถือไปความหมายเพราะว่า กับพิจารนก็ไม่ได้จะไปพูดกับใครกลัวบาปไอ้จางนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่อยู่ภายในอย่างหลวงพ่อเนี่ยไปนัดสถานที่ใดหลวงพ่อจะอธิบายให้แก่คณะรัตาายาธิราโยมฟังเป็นบางครั้งเมื่อมีโอกาสอย่างวันนี้ถือว่ามีโอกาสคณะสัตยาธิราโยมได้เสียสละฟิล์มเวลามาเพื่อบำเพ็ญกุศลเพราะฉนัน้นหลวงพ่อจึงถือโอกาสนี้แนะนําเรื่องศีลให้แก่คณะสัทยาญิราชโยมทุกท่านได้ รับรู้รับทราบอันดับแรกอย่างอารัธนาศินมายัางพันเตติสรณเนนทสาหปัญจศีลานิยาจามะหรือมายัางพันเตวิสุงวิสุงรักนัดถายะติสระเนนทสาหปัญจศีลานิยาจามะสองอารัธนาทําไมอารัธนาศินห้าเหมือนกันทําไมจึงมีสองมาตรฐานทําไมจึงพูดสองสองอย่างทําไมไม่พูดแบบคําเดียวกันเพราะรักษาศินห้าอันเดียวกัน หรือสองหรืินห้ามีสองสินห้าหรือเปล่าจึงมีการอาราธนาสองสินถ้าว่าพวกเราได้วิเคราะห์วิจารณ์และแนวความคิดพวกเราก็คิดออกออกมา แ, แต่เฟ้นเสียแต่ว่าเขาถือมาแล้วก็ถือไปแต่เราไม่ได้คิดอันนั้นก็จุดมันก็มีแต่ว่าผู้ที่คิดเนะี่ยจะต้องคิดเอ๊ะทำไมถึงมีอาราธนาสองสินนะทั้งที่ศิลรักษาศินห้าอันเดียวกันอันนี้คือความหมายทั้งสองอย่างคือมยายังพันเตติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะ นืมาอยังพันเตวิสูงวิสูงรัคณัตถายะความหมายและความแปลของพระบาลีทั้งสองอย่างนี้ตากแตก ต, ต่างกันแตกต่างกันก็เหมือนกันแต่แตกต่างกันอันหนึ่งคือผมมายัางพันเตวิติรณีนัสทหารข้าพระเจ้าจะรักษาศินห้าทั้งหมดรวมกันทั้งห้าข้อรวมกันทั้งห้าข้อรวมกันแต่ไม่วิสูงวิสูงเนี่ยข้าพรเจ้าจะรักษาศินห้า ข้าพเจ้าไม่มั่นใจจะรักษาสินห้าให้บริบูรณ์ได้ทั้งห้าครอพร้อมกันข้าพเจ้าขอรักษาเป็นข้อๆไปข้อหนึ่งถึงข้อห้าได้ท้ายกับถ้าว่าพวกเราอล่วงละเมิดอสินข้อที่หนึ่งเห็นยุงมันแล้ตบยุงสินข้อที่หนึ่งก็ขาดไปก็ยังมีข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ อถ้าไปเราเป็นเห็นรองเท้าเขาเราสวมรองเท้าเขาไปขโมยชี้ขโมยขมยองเขาไปเออันนี้เป็นสินขาดสินข้อที่สองอยังเหลืออีกสามข้อยังเหลืออีกหนึ่งข้อที่สามไปพูดกาะแก่กับสา ม, มีภรรยาคนอื่นเขาอันนี้ผิดข้อที่สามไปเห็นใครโกโหกเขาอีกหมดไปข้อที่สี่พอไปเห็นหมูเพื่อนกินเหล้าไปกินกับเขาขาดข้อที่ห้า อันนี้บอกวิสูงวิสูงรักณัดทายะคือขาดศีลเป็นที่ละข้อละข้อละข้อรักษาศีลแต่ละข้อละข้ อ, ข อ, ข อ, ขอแต่เมื่ อ, อยางพันเตปติจนเนนันสหปัญจะเนีครับว่าข้าพเจ้ารักษาศีลหรวมกันทั้งหมดทั้งห้าข้อจะรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นะแต่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพอ่อถ้าให้หลวงพ่อเลือกหลวงพ่อว่าจะรักษาทั้งทีเนี่ยควรจะรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งห้าข้อเนี่ยพร้อมกันไปเลย ไม่ควรจะทําขยึกขยักเวลาเราได้เงินก็ได้มาเป็นก้อนเลยไม่ใช่เหรอเราจะได้ทํามามทีิละห้าที่ละสิบใช่ไหมเออเอามาเป็นแสนเป็นล้านเลยไอันนี่ตรงเือนกันเราสร้างคุณงามความดีมันก็น่าจะเอาทีเดียวฮะอันนี้ก็คืออราธนาศิลห้าเพียงแค่นี้ก็เป็นสองมาตรฐานแล้วนะเพราะฉะนั้นขอบอกกล่าวให้ข้านแกพระนัทสัตาธิโธมได้ฟังจากนั้นก็พุทธังนามโม ต, ตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ความแปลและความหมายคำว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธทเจ้าพระองค์นั้นทําไมเรารับสินทําไมจึง ว, ว่านโมฮะเพราะนโมเนสินห้าที่เราจะรับศินเนี่ยที่เราจะสมาทานที่จะรักษาเนี่ยเป็นสินของใครเป็นสินของพระพุทธทเจ้าเพราะนั้นเราจึงน้อมจิตลําลึกถึงประวัติศาสตร์คือพระพุทธทเจ้าเป็นผู้ทรงบัญญัติศิน ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วเราเป็นที่พอใจว่าศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงเเพราะนั้นเราจึงขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าที่ต้นความคิดเรื่องของศีลเนี่ยที่ให้พวกเราได้สมาทานเนี่ยถ้าพระพุทธพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นมาไม่บอกกล่าวขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าศีลห้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรเพราะนั้น ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุธทธทายเจ้าพระองค์นั้นที่เป็นต้นศาสด า, ศาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นต้นคําสอนอันนี้คือคือหน้โมจากนั้นโทธังทำมังสังขังสรณังัจามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุธทธทาเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งพระพุทธทาเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองและประกาศพระธรรมคําสอนออกมา พวกเราก็ได้รับธรรมคําสอนอย่างพระพุทธเจ้าสอนมีศีลห้าให้มีศีลธรรมมีจริยธรรม อ, อ, อย่างนี้แหละอันนี้ก็คือพระธรรมคําสอนพวกเราเคารพในพระธรรมคําสอนจึงยึดพระธรรมเป็นจาระเป็นที่พึงสังขังพระสงฆ์สาวกที่นําพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าไม่มีพระสงฆ์นําพระธรรมมาประกาศเผยแผ่พวกเราจะรู้ได้อย่างไร เพราะนั้นทั้งสามรัตน์คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นสารณะเป็นที่ยอมรับนับถือของพวกเราทั้งหลายเตาจะนับถืออย่างสูงสุดเพราะเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นกระโดตียามปิเข้าไปเจ้าขอยืนยันเป็นครั้งที่สองจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึงตาตียามปีพุทธทางธรรมังสามขัง ข้าพระเจ้าจะยึด <'s weekend. S 1> พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นครั้งที่สามฮะเรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ถึงกล่าวถึงสามครั้งยืนยันถึงสามครั้งจากนั้นเขากล่าวเป็นองค์ศิล น, นั่นเอนปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิที่พวกเราจะได้สมาทานศิลห้านี่ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพรเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าข้าพระเจ้าจะไม่ฆ่า เขาว่าฆ่าคำนี่นะไปฆ่าคนอื่นเขาก็ไม่เป็นไรเพราะเขาไปเราไปฆ่าเขาแต่เขามาฆ่าเราละ่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรในเขาเมื่อมากฆ่าพี่น้องปะพ่อแม่ปู่ยา่าตา ย, ยายของเราเพราะเราไม่ได้มีความผิดอะไรเขามาฆ่าเราเราเสียใจไหมเราก็เสียใจถ้าเราไปทำให้กับคนอื่นเขาที่ไม่รู้เขาเลยเราไปทำให้กับเผาเขาก็เสียใจ เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมธรรมมาทิปไตยประชาทิปไตยท่านเห็นความเป็นธรรมท่านว่าอยากฆ่ากันการฆ่ากันทำให้คนอื่นเดือดร้อนเขามาฆ่าเราเราก็เดือดร้อนเพราะนั้นให้เข า, ขารบสิทธิ์ซึ่งกันและกันอย่าไปคิดฆ่ากันอันนี้คือศินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานาเวรมณีอย่าไปขโมยคนอื่นเขาถ้าเราไปขโมยคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามักขโมยของเรา ขโมยรถขโมยสิ่งของของเราเออขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราไปเรียกค่าไทยอย่างนี้เราเสียใจไหมเราก็เสียใจถ้าเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันกับเผ่าไม่แพ้เขาเขาเราเอออันนี้คือสินข้อที่สองข้อที่สมกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของไครเขาก็รักสมน์ห่วงแหนของเขาไม่แพ้ของเราพราะเราก็รักเหมือนกันของเขาก็รักเหมือนกัน เพราะนั้นเหตุเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เขารบสิทธิ์ซึ่งกันและกันอย่าไปล่วงรับอธิปไตยซึ่งกันและกันเพราะต่างคนก็ต่างมีต่างคนก็ต่างรักให้เคารพสิทกันถ้าหาว่าพวกเราไปล่วงล้ํากันจะหาความสงบร่อบเย็นเป็นสุขไม่ได้ในชุมชนในชุมชนในกลุ่มของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือศี่ข้อที่3ข้อที่4มุสาวาทาเว ร, รมณี อย่ไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปโกหกเขาต้มตุนหลอกลวงเขาการต้มตุนหลอกลวงทุกวันนี้มีมากมีมากหลายหลายอย่างอย่างเขียนเช็ดแดงอย่างนี้เี่ยแล้ว่าต้มตุนโกหกเขาอย่างนี้หลอกลวงเขาอย่างนี้เอาของดีเอาของปลอมไปบอกว่าของดีงนี่ลุ้นแล้วจะเป็นโกหกตระกูลโกหกทางนั้นเราพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้ จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีเพราะนั้นให้พวกเราสังเกตดูถ้าคนไหนพูดชอบโกหกตอแหลพูดแล้วก็คลอนไปคลอนมาจะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีพราะพระพุทธเจ้าทำนายไว้แล้วเมื่อ 2,500 กว่าป <Scotland> ีให้พวกเราสังเกตดูถ้าใครพูดอย่างนั้นจะแสดงว่าเอออนี้คนคนนี้ถ้าคอยดูนะถ้าชอบโกหกอย่างนี้จะจะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีนะพราะพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้นะ อันนี้ก็คือให้พวกเราสังเกตอันนี้คือสินข้อที่สข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชชะปะมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราคนดื่มของมึนเมาทุกวันไม่มีมากเพราะประเทศชาติเจริญเพราะนั้นเรื่องสุราสงเคราะห์เข้าไปยาบ้ายาม้าคันชายยาฝิ่นเฮโรอีนยาไอ้ยาอะไรเฮโคเคน มีมากมายทุกวันนี้กระท่อมกระแทมอะไรมีมากมายสรุปแล้วก็คือดื่มเข้าไปเสพเข้าไปแล้วทําให้สติของเราขาดขาดสติทําให้สติของเราฟั่นเฟืองและขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างสินข้อที่หนึ่งฆ่าใครก็ได้ฆ่าพ่อแม่พี่น้นองลูกหลานฆ่าใครก็ได้สินข้อที่หึงขาดเพราะคนขาดสติขโมยของใครก็ได้เพราะคนขาดสติไม่รู้จักจับยัง สามีภรรยาของลูกหลานของใครก็ระหลับ ล, ล, ล, ละลวงไครก็ได้เพราะคนขาดเทติโกหกใครก็ได้เพราะคนขาดเทติเพราะฉะนั้นสินห้าของพระพุทธเจ้าที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาที่จะรับสินในวันนี้ที่ในอัตมาภาพหรือหลวงพ่อได้กล่าวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาให้พวกเราคิดไตร่ตรองดูซิว่าศินห้าของพระพุทธเจ้า ที่ท่านได้ตรัสเอาไว้นี้เป็นสินคุ้มครองโลกทำให้โลกร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันถ้าว่าพวกเราขาดสินทุกข้อด้วยไม่มีสินเลยพวกเราคิดดูสิแล้วก็ร่วงและเมิดสินอีกต่างหากอย่างนี้พวกเราคิดดูสิว่าจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นมาได้ไหมในชุมช น, น, นในสังคมในโลกยุคปัจจุบันนา น, น, น, น, นหลวงพ่อว่าโลกในยุคนั้นใกล้มิคัสั ญ, ญีเห็นกันแล้วมี แต่จะห้ามพันเชื่งกันละกันจะหาความสงบร่มเย็นเป็นจุกไม่ได้ถ้าคนขาดศีลธรรมเพราะนั้นพวกเรารู้คุณค่าของศีลธรรมแล้วให้พวกเราจะมาทานศีลศีลจะให้ใครเป็นผู้รักษาให้นับหนึ่งจากข้าพระเจ้าเนี่ข้าพรเจ้ารู้คุณค่าของศีลแล้วข้าพรเจ้าจะเป็นผู้รักษาศีล น, นับหนึ่งจากข้าพรเจ้าข้าพรเจ้าจะเป็นผู้มีศีลคนอื่นจะเป็นผู้ไม่มีศีลก็ <finalmente> เรื่องของคนอื่นแต่ข้าพเจ้ารู้คุณค่าของศินแล้วข้าพเจ้าจะเป็นผู้รักษาสิน เ, เป็นคนหนึ่งในสินนั้นในเมื่อพวกเราเนับหนึ่งจากข้าพเจ้าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ก็จะมากไปเองแต่พวกเราคิดว่าเอ้ยสินเป็นหน้าที่ของคนนั้นคนนี้จะรักษาเป็นผู้ใหญ่จะรักษาพระสงฆ์จะรักษา เ, เราก็ล่วงละเมิดสินไปเรื่อยสินจะมี ความร่มเย็นเป็นสุขได้ยังไงเพราะต่างคนก็ต่างไม่มีสิ่นะเพราะนั้นศีลนธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราคิดกันกรองไตรตรองโดยเหตุและผลแล้วอยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้วศีลของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อพูดมาทั้งห้าขนะ้อเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราไม่อยากจะให้ไม่อยากจะให้คนอื่นมาทํากับเราเราก็ไปอ ย, อย่าไปทํากับเขาอย่าไปทําให้เขาะ ต่างคนก็ต่างเคารพสิทธิ์่งกันละกันความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนของพวกเราต่อ น, นี้ไปเมื่อเรารู้สินมีคุณค่าอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแล้วต่อไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสินนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะขคะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสาอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสธาเยจุดในความสงบกว่านั้นที่นี่นะโอ เห็นยอดภาพป่าวันนี้แล้วก็ถ้าเป็นภาษาหลวงตาพูดว่าหลวงตาว่าพอใจพอใจแต่หลวงพ่ออินไม่ไม่กล้าพูดอย่างนั้นเพราะเป็นคำพูดของหลวงตาต้องเคารพในองค์หลวงตาแต่หลวงตาว่าพอใจพอใจหลวงพ่ออินบมโอ้หน้าอนุโมทนาสาธุกับพี่น้องประชาชนจัทาญาติโยมที่มีน้าใจ ได้ถวายสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเทคณะกรมช่างทหารอากาศทอดผ้าป่ามหากุศลสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลวงตามหาบุญยนตสัมปันโนหอพิบาลสงโรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นอุดร 1พิพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าในตามไม่ริงหลวงพ่อเองก็ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเจดีย์ขององค์หลวงตาแล้วก็ท่านผู้การบุญสืบก็เคยถวายเครื่องมือแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้นำจตตุปัจจัยเหล่านั้น ช่วยโรงพยาบาลช่วยเครื่องมือแพทย์เดี๋ยวนี้คือเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องที่สร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาอย่างพวกคณะจัตวาญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราชัห้าห้าสิบห้าที่ผ่านมาทุนกระบอกฝ้ายหญิงจุราพรได้เสด็จไปที่วัดป่าบ้านตาดไปแถลงข่าวเกี่ยวกับการสร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงตา ที่วัดป่าปั้นตาดเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพระองค์ท่านก็บอกว่าท่านเป็นท่านพระอาจารย์สุดใจเจ้าวาดหมอบให้ท่านองค์ท่านเป็นประธานในการก่อสร้างเพราะว่าคณะสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นว่าทูลกระหม่อมฟ้าหญิง เ, เป็นผู้ใหญ่ในบรรดาคณะสิทธิ์ทั้งหลายเพราะว่าทูลกระหม่อมเข้าไปอาหาองค์หลวงตาหลวงตาท่านก็นเรียกทูลกระหม่อมว้าหญิงนะบัด ทุนกระหม่อมโลกนะแต่ทุนกระหม่อมเองท่านก็เรียกองหลวงตาว่าท่านพ่อนะอันนี้คือพ่อกับลูกหรือว่าทางบ้านเมืองก็เป็นว่าเป็นพระบรมวงศานุวงศ์เป็นผู้ใหญ่ที่เขาเป็นเป็ น, ปนลูกศิษย์ขององหลวงตาพวกเราก็เทิดทูนบูชาในพระ อ, องค์ท่านมอบให้พระองค์ท่านขอถวายให้พระ อ, องค์ท่านเป็นประธานในการสร้างพิพิธภัณฑ์ ธรรมเจดีขององค์หลวงตาท่านก็รับจะเป็นประธานในการก่อสร้างในครั้งนี้คราวนี้องค์เจดีของตาเนี่ยครั้งนี้ก็ประกาศแถลงข่าวไปแล้วแต่ลงพ่อเองในวันนั้นหลวงพ่อก็เรบอกประกาศว่าเงินจะตกปัจจัยที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ในคราวนี้ครั้งนี้บริษัทเอเชียโคเดนไลท์ ine, มีคนสมบัติเฉลมิมมตินันพร้อมกับคณะ ที่เป็นบริษัทกลุ่มบริษัทได้ถไวายได้ถวายปวารณาไว้ตั้งแต่องค์หลวงตามาณภาพวันแรกว่าถ้าว่าหลวงตาจะสร้างพิพิธภัณฑ์ก็ดีหรือจะสร้างเกดีก็ดีพวกคณะบริจัตเอเชียกวดเดินร้ายจะถวายสร้างเกดีองค์หลวงตานี่ประมาณ100้ล้านคือปวารณาไว้100ล้าน จากนั้นมาหลวงพ่อเองก็ได้สืบสอบถามตลอดมาว่ายังยืนยันคำเก่าอยู่ใช่ไหมท่านก็่ายืนยันคำเก่าเพรา ะ, ะนั้นวันเมื่อวันที่หนึ่งตุลาฯกไ็ได้เชิญท่านผูกกลุ่มของท่านกลุ่มบริษัทเอเชียโกลเดนไลท์เข้ามาแสดงความจำนงถวายตัวเลขต่อทูนกระหม่อมในวันนั้นและก็พร้อมกันในวันนั้นทางวัดป่าบ้านตาตั้งแต่วันที่12สิงหาห้ เป็นวันเกิดขององค์หลวงตาแต่หลวงตามารณาภาพวันที่หนึ่งแต่พวกเราก็ยังจัดบุญทาบุญวันเกิดขององค์หลวงตาอยู่ก็เลยเปิดโครงการว่าเราจะสร้างพิพิธภัณฑ์ธร ร, รมะเจดีถวายองค์หลวงตาก็เราเปิดแล้วก็เมื่อมีตู้บริจาคไว้ที่วัดป่าบ้านตาเขียนไว้ว่าสร้างเจดีย์พิพิธภัธธรรณฑ์ของหลวงตามหาบัวญนัตถ์ปันโนยนัตถ์าทาญาติโยงก็ได้หย่อนตู้นะครับ จำนวนนั้นแหละตู้ที่บริจาคสรุปแล้วก็คือได้ตั้งแต่วันที่12สิงหา54จนถึง2วันที่1ตุลา55ปีกว่าๆได้เงินทั้งหมด85ล้าน5 0 0 0กว่าบาทอันนี้นก็คือเงินที่บริจาคแต่เมื่อเมื่อไม่นานมานี้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาหลวงพ่อทราบจาก ทางวัดปาพันตาดีว่ายอดเงินเจดีของดวงตาขณะ น, นี้ได้เงินทั้งหมดเก้าสิหกล้านอ่ออันนี้ก็รวมกันแล้วก็เป็นสองร้อยเกือบสองร้อยล้านเอ่อแต่หลวงพ่อในขณะที่วันถแถลงข่าวปัจจัยก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้เงินร้อยกับแปดสิบห้าล้านแต่หลวงพ่อก็ซืบสอบมาว่าเจดีพิพิธภัณฑ์นี่ไม่ใช่มีเพียงเท่านั้นจะต้องมากกว่านั้น ดังนี้หลวงพ่อมาหนักใจตรงที่ว่าจะเป็นจะให้ใครเป็นผู้เป็นผู้เซ็นสัญญากับบริษัทที่จะก่อสร้างเพราะหลวงพ่อเองเคยสร้างเจดีย์วิปัสสันของหลวงปู่ล่าของคุณแม่ชีแก้วหลวงปู่จันสมหลวงปู่เพียงหลวงปู่เต็มหลายๆเจดีย์ที่หลวงพ่อสร้างด้วยมากหลวงพ่อจะจะตัวปัจจัยนี่จะต้องได้เลยขึ่งซัก่อนจึงจะลงมือสร้าง เพราะเหตุไรเพราะว่าการสร้างเจดีย์เราจะไปหวังน้นําบ่อนาทีเดียวก็ไม่ได้ถ้าว่ามันขาดเหลือขาดตกมากผู้ที่เซ็นตัญญากับผู้รับจ้างเขาจะทะเลาะกันเขาจะฟ้องร้องกันแล้วเราเป็นคณะกรรมการเราจะทํำยังไงอันนี้หลวงพ่อมาคิดจุดนี้แตนที้หลวงพ่อมาคิดถึงเจดีย์ขององค์หลวงตาก็เช่นเดียวกันถ้าว่าหลวงตายังอยู่หลวงตายังมีชีวิตอยู่เงินเพียงแค่นี้นะไม่มีปัญหา อาจให้เกณฑให้ใครลูกศิษย์ลูกหาคนใดเซ็นสัญญาก็ได้กับบริษัทแต่นี้ถ้าหากว่าลวงตาไม่อยู่นะอใครจะเป็นผู้สัญญากับบริษัทที่จะมาเซ็นสัญญาต้องคิดนะหนักเพราะเหตุใรเมื่อเซ็นสัญญาไปแล้วเงินยังไม่ได้มาเลยเนะี่ยอถ้าหากว่าบริษัทถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นบริษัทเขาจะไม่ฟ้องร้องอตัวของเราเหรอกิบหายทั้งครอบครัวทั้งที่เราเจตนาเป็นบุญแต่คนที่สุดก่อนเราได้ถูกฟ้องร้องใครจะมาช่วยเรา ในจุดนั้นเนี่ยหลวงพ่อมาคิดถึงจุดนี้จึงของพ่อว่าเออเอาแต่ถึงยังไงหลวงพ่อจะเคียงบาเคียงไหลกับบัรดาลุสิทิ์ท้งหลายหลวงพ่อเนี่ยกลุ่มหลวงพ่อเองลุสิทธ์ลุลหาอย่างวันเนี้ยกุลลุสิทธิ์ลุลหาที่รู้จักมักคุ้นกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะยืนจัดจะหาให้ได้ห้าสิบล้านบาทเงินห้าสิบล้านบาทนี่ไม่ใช่ว่าจะได้มาทีเดียวไม่ใช่ ลูพ่อจะพยายามหาต่างกลมต่างวาระถ้า ง, งวดงานที่หนึ่งที่สองที่สามลูพ่อจะสมทบเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ลูพ่อยืนยืนอยู่เรื่อรับประกันว่าจะหาเงินให้ได้จะช่วยเจดียพิพิธภัณฑ์เนี่ยห้าสิบล้านบาทลุงพ่อก็ยืนยันในวันนั้นพอวันั้นวันนี้ลวงพ่อก็ได้หนึ่งล้านบาทก็อุ่นไป ถ้าได้อีกสักห้าสิบคนนะหลวงพ่อมาช่วยหลวงพ่อเนี่ยได้อีกสี่สิบเก้าคนนะหลวงพ่อกะคิดว่า น, นายจะพอนะเออตอนนี้หลวงพ่อในวันนี้ก็ได้หนึ่งล้านบาทเข้ามาในบัญชีแล้วก็อุ่นใจไปในระดับหนึ่งนะ เ, เพราะนั้นขอให้คุณกุศลที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ร่วมสมทบในวันนี้หลวงพ่อจะเอาเข้าบัญชีเจา้าพระพ่อจะพยายามจ่ายเป็นงวดงวดงวด เข้ากับองค์บัญชีของหลวงตาแต่คิดว่าวันที่ไม่ใช่คิดว่าแหะ ว, วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมกราเป็นวันที่องค์หลวงตามรณภาพทุนเดือนนี้กําลังทําหนังสือทุนทุนเชิญทุนกระหม่อมไปวางศิลาฤกษ์ที่วัดป่าบ้านตาดวางศิลาฤกษ์วันที่หนึ่งมกราแลววันวันที่สามสิบ วันทีน่ส0มสิบมกราห้าหกนะพี่น้องประชาชนจะทา ย, ยาทอยค่อยๆฟังนะถ้ามีโอกาสไปร่วมสมทบไอวางซิลเลิก์สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาพร้อมกันในวันนั้นเพราะว่าก่อนหลวงพ่อจะขึ้นเครื่องบินหรือว่าไม่ใช่วันนี้มั้งทางอุดอรเขาก็โทรมาหาหลวงพ่อบอกว่าจะเข้าไปหาหลวงพ่อพืปรึกษาเรื่องวางซิลเลอร์วันที่ สาตุลาใหทางมัดป่าบ้านตัดหลวงพ่อเออเดี๋ยวหลวงพ่อลงจากเครื่องบินไปที่สนามบินพูดกันที่นั่นก็ได้ไม่ต้องเข้าไปข้างในแล้วมันลําบากกว่าจะเดินทางไปถึงมาพบกันที่สนามบินก็ได้หลวงพ่อพูดออนัดกันนี่แะเครื่อง J จดีย์พิพิธภัณฑ์มินิ่งดูได้เดี๋ยวนี้กาลังเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่างที่จะไปชนบรุรีวันนี้ก็เหมือนกัน ไม่ใช่ไปเพื่ออื่นกลไปเรื่องเจดียพิพิภัณฑ์ของหลวงตาใครๆก็ประสานผู้ใหญ่ผู้น้อยที่เป็นลูกศิษย์ยามศิษย์ของหลวงตาให้ประสานให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะให้เจดียพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาในสําเร็จทุกวงไปได้ดีเพร่อหลวงตาในเป็นผู้มีคุณูปการมีผู้เป็นผู้มีอุปการะคุณต่อประเทศชาติต่อพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจะระลึกได้หรือไม่ระลึกได้ก็ก็ตามนี่ย แต่พวกเราจะใช้ธนบัตรได้ใช้เงินที่มีคุณค่าทุกวันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่หลวงตาหาทองคําเข้าคลังหลวงหลวงตาหาทองคําเข้าคลังหลวงท่านเป็นประธานท่านหาทองคําเข้าคลังลวงได้ถึง13ตันกว่าสิบสามตันกว่าแล้วก็เงินดอลลาร์สิล้าน2องแสนกว่าดอลลาร์อยู่ในคลังหลวงเพราะ้เงินและทองคําเหล่านั้นถ้าคิดเป็นเงินไทยออกมาแล้วประมาณเกือบ มันไม่ใช่ประมาณมันสี่ประมาณสี่หมื่นล้านสนะี่หมื่นล้านเขาว่าหนึ่งบาทเท่ากับห้าบาทหนึ่งบาทเนี่ยคือเป็นเป็นรับประกันได้กับเท่ากับเงินหบาบาทนะเพราะนั้นถ้าหากว่าสี่หมื่นล้านลนะ่ะคูณเข้าไปสี่สิบห้าเท่าเป็นเท่าไหร่นั่นลหละเงินที่คงค้างอยู่ในเงินคงค้างของหลวงตาเนี่ยไป เดืนอยู่ที่นั่นอ่ะเป็นใบฉโนดอยู่ที่นั่นอ่ะเป็นเครื่องรับประกันเงินบาทของเราไม่ให้ตกต่ําให้เงินของบาทของเราแข็งอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเป็นทองคําหรือว่าเป็นเงินดอลลาร์ขององค์หลวงตาอยู่ที่คลังหลวงนี่แหละสรุปแล้วคือองค์หลวงตาเนี่ยเป็นผู้มีคุณอุปการอย่างยิ่งในจุดนี้กระพร้อมกันองค์หลวงตาก็ได้สร้างโรงเรียนโรงพยาบาลเ อ, อเครื่องมือแพทย์ ในสถานที่ต่างๆหลวงตาทําคุณให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองดูๆแล้วก็มหาศาลมากมายจนไม่สามารถที่ปรยายได้ว่าหลวงตาทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมากขนาดไหนแต่บัดนี้หลวงตาจุดตินิรพานไปแล้วพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็ไม่มีอะไรที่จะตอบบุญแทนคุณในองค์ท่านได้นอกเหนือจากพวกเราแสดงออกความซึ่งความกระตันยูกระวเวที่ตา เป็นอามิจุบูชา เ, เราก็จะร่วมกันสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ถวายองค์หลวงตาเพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของพี่น้องประชาชนตัวทุกหมู่เหล่าที่เข้าที่เข้าไปกราบไปไหว้ที่เจดีพิพิธภัณฑ์ที่เข้าไปกรากบวัดป่าบ้านตาทุกวันนี้ถึงหลวงตาจะล่วงรับรับการไปแล้วก็ก็ตามแต่พี่น้องประชาชนไม่ล้วดในประเทศต่างประเทศ หลังไหลทลักเข้าไปกปราบพิพิธภัณฑ์บริการที่พระราชทานเพลิงองค์หลวงตาหรือว่ารูปเหมือนของหลวงตาเรียกว่าลูกของหลวงตาซาลาหลวงตากุฏิของหลวงตาไม่ขาดสายพ อ, อเราไปดูแล้วเรากหน้าภาคภูมิใจอย่างมากพวกพี่น้องประชาชนทุกโมเหล่ายังลำลึกถึงพระคุณของหลวงตาโดยสม่ำเสมอเพราะนั้นพวกเราในวันนี้ ก็ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีตาตตองค์หลวงตาได้ร่วมกันแสดงฉละทุนทรัพย์มากน้อยก็ได้เป็นเงินทั้งหมดน่ล้านกว่าบาทอย่างที่ท่านปู้การบุญชิวท่านเอามาให้หลวงพ่อดูเนี่ยจดีหน1่1ล้านเ่อบาทโครกระบืออีก 1,000 0บาทรวมเป็นเงิน หนึ่งล้านสองแสบาทไม่ใช่เงินก้อนน้อยเงินก้อนใหญ่ทีเดียวเพราะฉะนนั้การสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์เราจะให้องค์ใยองค์หนึ่งคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดคุ่มหนึ่งรมคงไม่ได้คงแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาพร้อมกันเพราะเงินจํานวนนี้หรือว่าเจดีนี้พิพิธภัณฑ์นีเ้เราจะเอาของดีมาใช้ของดีราคาถูกคงไม่มี ของดีต้องราคาแพงเมื่อราคาแพงแพงขนาดไหนนะั่นแหละวันเสร็จสัญญาจริงจะรู้กันว่าถูกหรือแพงขนาดไหนแต่เราก็ต้องเตรียมเงินไว้ก่อนเราจะต้องเอาของดีถวายองหลวงตาพอหลวงตาเป็นผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติเราจะเอาของรวยหวยเอาของไม่ดีถวายท่านได้เหรอพวกลูกหลานคณะสัตธาญาติโยมรวมทั้งหลวงพ่อด้วยก็พร้อมกันพร้อมเป็นน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อจะบูชาพระคุดองคลงตาให้ดีที่สุดนะอันนี้ก็คือส่วนหน่งอันนี้คือพวกเราได้มาทอดผ้าป่าสามภาคีในวันนี้แล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อเองมาเห็นกลุ่มทหารทหารบกอากาศเรื อ, อตำรวจอันนี้คือหลักของประเทศชาติผู้ปกป้องประเทศชาติส่วนหนึ่ง หลวงพ่อมาเห็นมาอยู่มาเห็นในกลุ่มทหารของพวกเราที่นั่งอยู่ที่จะเป็นกลุ่มส่วนน้อยแต่หลวงพ่อก็ขอฝากไว้กับพวกเราท่านทั้งหลายขอฝากประเทศชาติบ้านเมืองไว้กับพวกเราท่านทั้งหลายให้เสมือนพวกเราเหมือนกับเสาหินหรือเสาหลักของประเทศชาติทั้งทหารสามเหล่าทัพเนี่ยทั้งบกทั้งอากาศทั้งเรือ แล้วก็พร้อมกับทั้งตำรวจด้วยทั้งสี่ทั้งสีเ่เราเนอยากจะให้พวกเราเป็นเป็นหลักเหมือนกับเสาหินเสาพระสมเมนของประเทศให้แน่นหนามั่นคงอยาวันไว้ไกวแว่งเพราะว่าหลักนันก็ต้องมั่นคงอยู่แล้วนี่หละหลวงพ่อว่าพี่น้องประชาชนจัดทาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่า ก็คอยคอยคอยฟังพวกเราท่านทั้งหลายคือทหารทั้งหลายนี่แหละอยากจะให้มีหลักที่มั่นคงคาว่าสีนั้นสีนี้อย่าอย่ามีพ่อหลวงพ่อเองเป็นพระเนี่ยเขามาถามหลวงพ่อหลวงพ่อสีอะไรหลวงพ่อว่าสีกลักสีแกนขนนเออพ่อเราไม่ได้คิดว่าสีนั้นสีนี้สีแดงทำชั่วไม่เป็นสีเหลืองทำชั่วไม่เป็นสีกลักทำชั่วไม่เปลี่ยนไม่เป็นอย่างนั้น สีอันไหนก็ทําชั่วทําดีได้ทั้งนั้ น, นเพราะนั้นพวกเราเป็นทาหารต้องเป็นหลักของประเทศชาติให้มั่นคงให้ดูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่แหละสถาบันหลักของพวกเราให้พวกเรามองดูประวัติศาสตร์อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเมื่อเช้าเลยพระพุทธศาสนาอยู่ได้เพราะประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์คืออะไรให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนที่พวก พวกเราจะรับสินพวกเรากวัตนาโมตัสสะพระเขาวโาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเพื่อให้น้อมอถึงประวัติศาสตร์คือความเป็นมาของบรมครูของพวกเรานิชาติป่านเมืองของเราเป็นมาอย่างไรพวกเราได้ดูไหมหรือว่ามีแต่ยุคนี้สมัยนี้ไม่มีประวัติศาสตร์เลยใช่ไหม เึ่งเหล่านี้พวกเราต้องย้อนดูประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นมาอย่างไรตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทราธิตพ่อขุนรามกําแหงก่อนหน้านั้นก็มีแต่ทําไมเราไม่พูดถึงเพราะว่าไม่มีหลักศิลาจารึกแต่นี้พ่อขุนรามกําแหงกับพ่อขุนศรีอินทราธิตมีหลักศิลาจารึกที่กรุงสุขโขทยัยเพราะนั้นเราจึงได้อ่านจากหลักศิลาจารึกนั้นความเป็นอยู่เป็นมาอย่างไร การปกครองบ้านเมืองชุกนั้นเป็นมาอย่างไรก็พอจะเดาได้แต่ต่อมาก็ถึงกรุงศรีอยุธย า, าก็มีพระเจ้าเป็นดินมีตัวตุ๊กปักตุเปยทุลักทุเลบางครั้งาบางครั้งก็สงบท่มเย็นเป็นสุขจนถึงรัตนโกสินทร์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นในกรุงรัตนโกสินทร์นี่ก็เถอะสมัยก่อนหน้านี้พวกเราคิดดูให้ดีสิว่ากรุงรัตนโกสินทร์นี่เป็นมาอย่างไรกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ย ไข่รัชกาลที่5ยก ย, ก, ย, ก, ยกนั้นสมัยนั้นรัชกาลที่5เป็นมาอย่างไรรัชกาลที่หเนี่ยท่านปกครอง ป, รปกป้องประเทศชาติอย่างสุดๆนะพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้พวกหลวงพ่อเองชอบพูดถึงประวัติศาสตร์คือความเป็นมาของชาติไทยรัชกาลที่5เนี่ยสมัยนั้นน่รัชกาลที่4คือพ่อของท่านเนี่ยเป็นผู้ตั้งวงธรรมยุทธถ้าพวกเราอ่าน ในประวัติศาสตร์เนี่ยคือรัชการที่สี่เนี่ยพอเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็คงมีปัญหารัชการที่หนึ่งที่สองเหมือนกันนะที่สองที่สองขึ้นมาเนี่ยที่สามขึ้นมาเนี่ยแตท่านมีปัญหาพีปัญหากันเลยท่านก็เลยออกบวชพอออกบวชท่านก็ศึกษาเรื่องพุทธศาสนาออกบวชเข้ามาแล้วเอ๊ะทำไมพระสงฆ์จึงไม่อยู่ในหลักในหลักพระธรรมวินัย หลักพิธามวินเป็นอย่างหนึ่งแต่พระสงฆ์ปฏิบัติตนอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุใดเพราะกรุงศรีอยุธยาแตกข่าวนั้นนะเอพระสงฆ์ทั้งหลายก่อนเน้นไปในทางที่ยงคงกับพันชาติพระปฏิเจตผ้าอะไรตผ้าอะไรผ้ายันผ้าอะไรสักยงสักลายสักยันเอข้อางฝ่ายผ้านี่ก็ย่อหย่อนต่อหลักธรรมวินัยแต่ตะกอหล่อสีกาไปเรื่อยเหมือนผอลที่สุดพระเจ้าแผ่นดินพระชการที่สีเข้ามาบวช หลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะแต่ทําไมพระสงฆ์จึงย่อหย่อนต่อหลักพระธรรมวินัยไม่ใช่เป็นอย่างนี้จากนั้นพระสงฆ์พระรัชการที่สี่เกิดตั้งจิตอธิษฐานเออถามว่าพุทธศาสนาจะดงงํารงคงอยู่ได้หรือว่าจะมีพระสงฆ์ที่ทรงศีลอยู่ก็ขอให้ข้าพเจ้าได้พบพระผู้ทรงศีลสักองค์หนึ่งด้วยเทอดนีอันนี้คือ ในประวัติศาสตร์ท่านเขียนเอาไว้นะจากนั้นท่านก็เลยไปพบนนพระมรพระมรก็ไปศึกษากับพระมรพระมรอธิบายให้ฟังเรื่องศีลเรื่องวินัยท่านเอออันนี้ใช่ถูกต้องจากนั้นท่านก็เลยยั ต, ติเป็นพระธรรมยศ น, นี่แหละต้นตระกูลนักขันสถาญาติโยมลูกหลานบางคู่บางคนอาจจะไม่ได้ยินนะพราพวกเรามีแต่ทาการทํางานอย่างอื่นเรื่องพุทธศาสนากับเครื่องของพระนี่แหละจะเป็นผู้เล่าประวัติศาสตร์ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟัง จากก็มีท่านก็เลยตั้งเป็นวงธรรมยุทธ์ขึ้นมาท่านเป็นต้นตระกูลธรรมยุทธ์ท่านก็บวชในพระุทธศาสนาจากนั้นต่อมาท่านบวชทั้ง25ปีนะสัาญญาตยาธิโยมนะรัชกาลที่สจากนั้นพอรัชกาลที่สามสวรรคตรไปรัชกาลที่สี่ท่านก็เลยศึกลาศิกขาออกไปเป็นเป็นพระเจ้าเป็นดินรัชกาลที่สทีนี้เมื่อท่านบวชอยู่นั้นท่านก็ได้ศึกษาภาษาอังกฤษ ศักษาต่ออะไรอ้อต่ออะไรพวันอยู่ในวงกว้างนะพอบวชเข้ามาในยุคนั้นท่านปราชา์นั้นติดต่อนั้นท่านก็อยู่ในวงกว้างท่านก็ศึกษาพอศึกษาท่างเป็นรัชกาลที่สีท่านก็ยังทะนุถนอมวงพระสงฆ์ไว้อยู่วงธรรมยุทธ์แต่นั้นก็มีมหาเนกายแล้วก็มีธรรมยุทธ์คือมีสองในกายจากนั้นก็พอรัชกาลที่ 5, หเสร็จท่านก็ได้ลูกขึ้นมารัชกาลที่สี่ได้ได้ลูกรัชกาลที่ห้า ท่านก็เห็นว่ารัชกาลที่ห้าเนี่ยท่านมองดูแล้วหน่วยก้านดีฮะเป็นผู้มีแววเพราะผู้พ่อรัชกาลที่สี่เนี่ยเป็นผู้มองเห็นมองอยู่แล้วเป็นผู้มีปัญญาอยู่แล้วใช้หลักะพุทธศาสนาอยู่แล้วใช้หลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกระจกเงาอยู่แล้วท่านก็มองดูเอออรัชกาลที่ห้าเนี่ยถูกคนนี้แหละจะเป็นผู้เป็นจะเป็นใหญ่จะเป็นผู้ปกครองพี่น้องประชาชนจั พวกเราท่านทั้งหลายท่านก็นี่ยมอบหวังให้เป็นรัชกาลที่ห้าเป็นทายาทเป็นรัชกาลเป็นพระเจ้าเป็นดินเพราะเป็นรัชกาลแผ่นดินเนี่ยเป็นหลวงพ่อดูในประวัติศาสตร์แล้วจะเป็นรัชกาลที่โทุกขี่สุดทําไมถึงวันทุกขี่สุดเพราะว่าในยุคนั้นเขากําลังแบ่งแบ่งอาณาจักรกันอย่างโปแลนด์เนี่ยกิมายึดแถวอินมายึดฟิลิปปินอินโดฮะ ออังกฤษกับมายึดสิงคโปร์มาเลพมาม่าฮะไอ้ฝรั่งเศสก็มาเยสลาว์คาเมนเวียดนามเทนี้ยังเหลือแต่ประเทศไทยสองประเทศเขากลัวจะทะเลาะกันเขาเอะแบ่งกันเอาอะไรเอาอะไรเป็นเขตแดนเอาแม่น้ําเจ้าพระยากันแล้วกันอ่าอังกฤษกับฝรั่งเศสเขาจะแบ่งแบ่งประเทศไทยแหละนะทีนี้แบ่งเอาคนละครึ่งกันเอาแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นแดน ถ้าฝากถนนกับเป็นของอังกฤษถ้าฝากป่านี้ก็เป็นของฝรั่งเศสรัชการที่ห้าจะเป็นยังไงทีนี่พวกเราคิดดูให้ดีทีสมัยนั้นโอ้โหเออถ้าบางคนถ้าไม่ถ้าไม่ไ ม, มีบุญวาสนาบารมีก็คงจะเส้นเลือดแตกในสมองหลวงพ่อว่านะเพราะเขาจะแบ่งประเทศตัวเองทุกขนาดไหน่อยดันั้นพระองค์พระองค์ก็ใช้พัตติชาสามารถของพระองค์เพราะได้เรียนภาษาอังกฤษจากพระบิดาคือรัชการที่สี่ ท่านปลูกฝังไว้แล้วเนี่ยท่านก็ศึกษาจากนั้นก s. <S อ مر, อ่อนเนี่ยอังกฤษฝรั่งเศสก็ยกทัพเข้ามายกเข้ามาเขมาปิดอ่าวไทยเขามีปืนนะเนี่ยเขามีปืนแบบยิงแบบลัวได้แต่แทบแทบแทบแแบบของของเราเนี่ยมีแต่เอามือเอาดินประสิวยัดเข้าในรูกก็บอกแล้วแต่จุดไฟใส่กระจุดตั้ไฟทนเองมาเนี่อไม่รู้เอาลูกก้อนหินหรือเอาลูกอะไรก็หมายรู้ออกไป แต่ของเขาไม่เป็นอย่างนั้นแหละต อ, อกต้มแต่ตึ้งเลยนี่แหละทีนี้เขาก็มาปิดอ่าวไทยเพราะไปปิดอ่าวไทยก็สู้กันเอพอสู้กันทีนี้ปืนแก๊ปก็เถอะนะมันยิงถูกคนก็ไม่หลีกใครเหมือนกันลนะ้ลูกกระสุนไทยเนี่ยนะมันถูกฝรั่งมันก็ตายเหมือนกันเนะี่ยลูกกระสุนไทยแต่ลูกกระสุนปืนฝรัง่งเนี่ยฝรั่งเศสมันยิงเข้ามาถูกไทยเนะี่ยพวกเราตายเนะี่ยมันตายเหมือนหมาตายเลยไม่มีไม่มีสิทธิ์มีสมอะไร แต่พวกเราลูกศุนทร์เขาไปถูกพลังเข้าไปตายคนน่ะโอ้มีแต่เจ้าขุนมูลนายมีแต่นายพลนายพันมีแต่คนมีศักมีศรีทั้งนั้นเพราะนั้นเวลาตายแต่ละเนี่ยเขาก็บอกคนเขาตายแต่คนเราตายเนี่ยเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้พูดเขาบอกว่าคนเขาตายเขาจะต้องคิดฆ่าหัวเท่านั้นเท่านี้เนี่รัชการที่ห้าเขาไม่รู้จะทํำยังไงเออไปโลดเอาแก้วแหวนเงินทองจากสนม นาฬีบริษัทบริวารของพระองค์รวมรวมรวมไปใช้ค่าหนี่คิดดูซิทุกขนาดไหนพวกเราคิดถูกไปใช้ค่าหนี่จะเป็นที่พอใจของฝรั่งเศสบอกพอใจแล้วใช้นี่ขนาดนี้พอใจเพราะนั้นรัฐการที่ห้าก็ยังคิดว่าเออต่อไปนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีเงินกองทุนถ้ามีประเทศชาติต่อไปภายภาคหน้านี่ เราจะเอาเงินที่ไหนไปใช้ประเทศเขาจะมารูดเอาเงินคำทรัพย์สมบัติจากนิ้วมือของอกับสนมกำนันอย่างนี้กับบริษัทบริวารอย่างนี้คงไม่ไหวจากนั้นท่านพระ อ, องค์จึงไปค้าขายที่ว่าด้เงินในเงินอีแปะในะเงินอีแปะมาจากประเทศจีนท่านจึงตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาที่ว่าเงินถุงแดงนี่แหละเงินราการที่ห้านี่คือเงินประกันประเทศนะการศรัทธา ญ, ญาิโยมลูกหลานนะ อันนี้คือเล่าประวัติศาสตร์ให้แก่พวกเราพ ว, พวกท่านทั้งหลายอาจจะรู้กว่าหลวงพวว่อก็ได้นะแต่ถึงยังไงหลวงพ่อกลับไปถึงวัดโอ้ยหลวงพออ่อเองรู้ไม่จริงนะผมรู้จริงกว่าก็ให้ส่งจดหมายไปให้หลวงพอ่อหลวงพ่อจะได้ศึกษาให้ดีขึ้นเหมือนกันถเถอเนี่ยหลวงพอ่อรู้เท่ารู้เท่าที่รู้เท่าที่รู้แล้วก็พูดให้แก่คณะพวกเราได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นก็มีเงินถุงแดงขึ้นมาจะมาเงินเงินก้อนนี้เป็นเงินประกันประเทศ เ, เดี๋ยวนี้ได้เงินถึง เขาว่าในเงินเป็นล้านล้านแล้วนะที่ว่ารัฐบาลชุดยุคไหนเข้ามากะพอเป็นรัฐบาลแล้วมองซ้ายมองขวาเฉือมหน้าเฉือบหลังก็ไปเห็นเงินถุงแดงตัวนี้แหละอจะเอามาแบ่งกันจะเอามาใช้พวกหลวงพ่อหลวงตาลูกศิษย์หลวงตาทั้งหลายก็พอเขาจะเหลือบมาเขาจะไปเห็นเงินยานะยานะยานะเออเดินขบวนเงนินเถอะยานะยานะจะเอามาใช้นะนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายรู้เอาไว้ว่า เงินตัวก้อนนี้คืออะไรอันนี้มาพูดถึงรัชกาลที่ห้าม่ใช่น่ยมีเพียงเท่านั้นที่ท่านทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างนั้นท่านพระ อ, องค์ก็ฝรั่งก็จะแบง่งฝรั่งเศสอังกฤษก็จะแบง่งท่านทํำยังไงท่านก็ได้ภาษาอังกฤษมาะท่านก็วิ่งไปหาเยอรมันแคน่ะไปหาเยอรมันไปหารัเสเซียเถอะเอ้ขอช่วยผู้ฆ่าช่วยผมด้วยเทิรเขาจะแย่งประเทศผมแล้ว ขอให้ปกป้องประเทศเยอรมันกันได้ทราบข่าวใช่ไหมล่ะก็รู้ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นิอของไทยแลนด์ท่านก็เออยื่นมือก็ว่าประเทศไทยอย่าเพิ่งนะเขากำลังจะพัฒนาเอาไว้ก่อนนะฝรั่งเศสกับอังกฤษ ก, ก็เกรงใจเกรงใจคนชาติเดียวกันชาติโยุโรปเหมือนกันเขาก็เลยปล่อยวางไว้เขาก็เลยไม่ได้ทาอะไร ขนาดนั้นของเมืองไทยก็เสียเสียมราดเ ส, เ, เสียเขมรเสียลาวไปให้ฝรั่งเศสอีกต่างหากทางมาเลเกียเสียให้อีกต่างหากทางอังกฤษเขาตัดเข้ามา เ, เมืองไทยเขาก็เสียส่วนหนึ่งเอาไว้ส่วนหนึ่งดีกว่าเสียทั้งหมดเอาไว้ส่วนในรัชการที่ห้าทุกขนาดไหนพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมที่ท่านปกป้องประเทศชาติมาจากนั้นท่านก็ มาปกป้องมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่แหละคือประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยอันนี้เล่าเพียงย่อๆนะถ้าว่าให้เล่าให้ยาวแล้วก็คงจะไม่ก้นจะทั้งวันทั้งคืนหรอมะั้งแล้เพราะประเทศไทยของเรามันหลายร้อยปีนี่ใช่ไหมเราจะมาพูดเพียงชั่วโมงสองชั่วโมงได้ยังไงฮะมันต้องพูดยาวฮะแต่นี้โรบรัดให้ฟังว่าประเทศไทยอยู่ได้เพราะมีประวัติศาสตร์รัชกาลที่5ท่านปกป้องประเทศชาติมาถึงปัจจุบันนี้ พวกเราลืมตาอ้าปากเป็นเอกราชไม่เป็นขี้ค่าของประเทศอื่นในโลกพูดง่ายๆประเทศรอบด้านของเราประเทศรอบบ้านของเราเป็นขี้ค่าของเขาเป็นทุกประเทศใช่ไหมเราเป็นใครฮัเมนเป็นใครเวียดนามเป็นใครพม่าเป็นใครมาเลเซยเป็นใครสิงคโปร์เป็นใครอินโดเป็นใครฟิลิปปินส์เป็นใครล้วนแล้วแต่เป็น เมืองขึ้นเขาทั้งหมดใช่ไหมพวกเราปฏิเสธใช่ไหมใช่เป็นเมืองขึ้นประเทศไทยทําไมไม่เป็นเมืองขึ้นของเขาเพราะเหตุหอะไรเพราะรัชกาลที่ห้าเป็นผู้มีปีชาสามารถปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองจนมั่นคงขึ้นมาได้ทุกวันนี้เพราะรัชกาลที่ห้านี่แหละคือประวัติศาสตร์หรือพวกลูกหลานทั้งหลายทหารทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลา ย, ท, ลายทั้งสามเหล่าทัพเนี่ยโอ้ยรัชกาลที่ห้านี่โง่จริงๆ ถ้าหากว่าไม่โง่นะเราไปเป็นเมืองขึ้นเขาภาษาของเราคงจะดีกว่านี้เอภาษาอังกฤษเราคงจะดีกว่านี้ไม่ต้องจ้างครูมาสอนเพราะเขามาเป็นนายเราก็าก็สอนให้เราอยู่แล้วอันนี้ทำใหม่เราเป็นเอกราชนี่ไม่มีครูสอนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเราเลยด้อยกว่าเขาพวกเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมแต่หลวงพ่ออินไม่คิดอย่างนั้นนะหลวงพ่ออินนภาคภูมิใจอย่างมากเลยที่เป็นเอกราช ไม่เป็นขี้ข้าไม่เป็นเมืองขึ้นของใครจึงยกย่องวารัตการที่ห้าเป็นรัตการที่มีภาพปีชาสามารถที่ปกป้องประเทศชาติให้มั่นคงไม่เป็นเมืองขึ้นของใครแล้วก็ต่อมาจนถึงองค์ปัจจุบันท่านช่วยเหลือประเทศชาติมาเท่าไหร่โครงการพระราชดําริมีเท่าไหร่ทําไมเราจะไม่ลําลึกถึงประคุณของท่านเหล่านั้นเหมือนกับพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเราหาเงินทรัพย์ ส, สมบัติ มีที่ดินที่ไร่ที่นาที่รั้วที่สวนที่ทํามาหากินให้แก่พวกเราเพวกเราก็น่าจะภาคภูมิใจแต่เมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราไปแล้วเนี่ยพวกเราจะไปด่าพ่อด่าแม่อย่างนั้นใช่ไหมเฮ้หามาได้ก็แล้วละมันโง่หามาให้เราใช้ถ้าใช้แล้วก็แล้วไปเลยจะมาทวงอะไรกระเราอย่างนั้นเหรอมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกบุคคกายรีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนคือพ่อแม่ พ่อแม่เป็นผู้มีอุปการะคนต่อพวกเราเมื่อพ่อแม่แก่เท่าไปแล้วเราเลี้ยงท่าน เ, เราต้องเลี้ยงท่านต้องเลี้ยงท่านตอบโดูแลกิจการของท่านดํารงวงศ์สกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะพวกเราจะมองข้ามดูดายไม่น่าจะถูกต้องเพราะฉะนั้น ชาติบ้านเมืองก็เหมือนกันพ่อแม่ของพวกเราก็เหมือนกันเป็นผู้มีอุปกระคุณสาหรับพวกเราพวกเราอย่าดูดายอย่ามองข้ามถ้าผู้ใดก็ตามถ้าหาว่าไม่ลาลึกถึงพระคุณของผู้มีอุปกระคุณถึงตัวเองว่าเจริญเจริญก็เถอะเ อ, อแต่ในใจของคนนั้นอ่ะเศร้าหมองเ อ, อพะไม่ผ่องใสอับเฉาเออไม่สง่าพาเผยเพราะเหตุไรเพราะว่า ตัวเองไม่ได้ทดแทนพระคุณแผ่นดินไม่ได้ทดแทนพ่อแม่บุญคุณบุพภาการีของพวกเราเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เป็นทหารของชาติทหารอที่เป็นหลักให้มั่นคงเที่ยงตรง เ, เหมือนกับเสาเขื่อนหรือเสาหินหยุปักอยู่ในประเทศเรามีหูมีตาฟังดูให้สังเกตอันไหนควรไม่ควรอย่างไร อย่างที่หลวงพ่อเคยท่านพิพากษาท่านหนึ่งเข้าไปหาในช่วงหนึ่งท่านพิพากษาทะเลาะกันเป็นสองฝ่ายให้ฝ่ายหนึ่งไปเห็นอย่างหนึ่งฝ่ายหนึ่งเห็นหนึ่งแต่ท่านพิพากษาท่านนี้เข้าไปหาหลวงพ่อท่านเป็นกลางท่านไม่เข้าใครท่านนิ่งทั้งสองฝ่ายเข้ามาหาเอาท่านเข้าฝ่ายไหนท่านตอบเลยว่าเราเป็นพิพากษาขนาดพิพากษาแล้วยังไม่รู้จักว่าอันไหนผิดอันไหนถูก อัไหนควรไม่ควรแล้วประเทศชาติบ้านเมืองจะเป็นไปจะมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไรท่านที่ภากษ า, ผ ม, ม า, าผมไม่เข้าข้างนู้นผมไม่เข้าข้างนี้ผมจะอยู่อยู่ตรงที่มีกฎหมายกฎหมายอยู่ตรงไหนผมจะอยู่กดในกฎเกณฑ์นั้นนี่แหละพวกเราหลวงพ่อว่าอยากจะให้ทหารทุกท่านทุกทุกขหานตั้งแต่เนายใหญ่ตั้งแต่หัวหน้าจนถึงนายน้อย ให้รู้จักเขาให้รู้จักเราให้เป็นหลักของประเทศชาติหลวงพ่อว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้ได้ประเทศชาติบ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุขนะหลวงพ่อว่านะอย่าวันไว้ไก ว, ไวแกวงกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงถึงยังไงเราก็ไม่อดไม่อยากเรามีอยู่มีกิดกันแล้วกันแต่ถ้าว่าทุกประเทศชาติบ้านเมืองทุกวันนี้ทําไมมันเป็นอย่างนี้เน่ยหลวงพ่อว่าโพูดได้ทําเดียวว่าประเทศชาติ ของเราไม่มีความเป็นเอกฉันไม่มีความพร้อมเพียงสมัคคีกันในเมื่อไม่มีความพร้อมเพียงสมัคคีกันโลกประเทศชาติของเรามันจะเดินไปไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าประเทศชาติไม่เป็นไม่เอกฉันพูดหนึ่งคิดอย่างหนึ่งผูดหนึ่งอิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดการพูดที่เป็นลมปากก็จริงแต่พูดออกไปแล้วนะ่ะมันไปเฉิดไปเฉือนคนอื่นทําให้ประเทศชาติบ้านเมือง แต่แยกสมัคคีกันเพราะลมปากก็มากต่อมากทําให้คนเองจิบหายใบยปวงพ่อลมปากก็มากต่อมากเพราะนั้นทุกคนให้ระวังลมปากถึงจะเป็นลมก็จริงแต่แต่ว่าเป็นพิษเป็นภยัยแต่หลวงพ่อเองก็เหมือนกันนะที่พูดอย่างนี้นะ่ะหลวงพ่อก็ระวังเหมือนกันตลวงพ่อไม่ได้สอนให้แตกแย ก, กสมัคคีนะหลวงพ่อสอนไม่แต่ว่าให้มีความพร้อมเพียงสมัครคีกันให้รู้เขาให้รู้เรา ให้รู้รักสามัคคีให้รู้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างศาสนาเนี่ยถ้าว่าประเทศชาติบ้านเมืองแตกกระจาย ไ, ไปแล้วศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรที่ศาสนาอยู่เป็นฝึกแผ่นทุกวันนี้ก็เพราะประเทศชาติเป็นหลักประเทศชาติจะเป็นหลักเป็นหลักได้อย่างไรก็ต้องอาศัยทหารเป็นหลักของประเทศชาติถ้าทหารวันไว้ไกวแกวง้งทหารเป็นไม่เป็นตัวข้องตัวแล้วประเทศชาตินี่ หากฎเกณฑ์ไม่ได้นะคณะสัตายาญาติโยมอันนี้พวกหลวงพ่อเองมาพูดในกรบทหารวันนี้นก็เลยพูดในเรื่องทหารเหาือนกันะให้เป็นหลักให้มั่นคงเอออย่าวันหมวกว่อยแกล้งออขอให้ทหารทั้งหลายให้เป็นหลักของประเทศชาติให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เป็นมาอย่างไรหลวงพ่อก็ได้กล่าวให้แก่วพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาได้ฟังพอประมาณนะ แล้วก็ศาสนาก็พึ่งพาสายประเทศชาติเพรวะนั้นถ้างว่าชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ร่มเย็นเป็นสุขแล้วประเทศชาติกลุ่มทุกคนทุกหมู่ทุกกลุ่มก็ร่มเย็นเป็นสุขที่มันวันไหวไกวยแวงทุกวันนี้ก็นี่แหละอย่างพวกเราท่านทั้งทั้งหลายได้เห็นเดี๋ยวกับคนนั้นเดี๋ยวกับคนนี้เดินขบวนไล่กันเล่ยไล่กันไปไล่กันมาจะไปไล่ออกไปทั้งนั้นคนในประเทศ จะไปไล่ออกนอกประเทศได้ยังไงมีแต่ความพร้อมเพียงสมัครีมีอันไหนผิดอันไหนถูกประเทศชาติของเราเนี่ยตั้งใจศึกษาส่งลูกส่งหลานไปเรียนต่างประเทศไปศึกษาต่างประเทศด็อกเอร์ไม่รู้เท่าไหร่ออฟฟิเซอร์ไม่รู้เท่าไหร่ผู้ชำนาญการไม่รู้เท่าไหร่ทำไมไม่เอาความรู้ความฉลาดเหล่านั้นความรู้เหล่านั้นหันหน้าเข้าหากันปรึกษาปรารบกัน ้าจะทำยังไงประเทศชาติของเราจรึงจะเจริญทำไมจึงเอาความรู้เหล่านั้นมาหัดมาประหัดประหารกันมาสังหารกันออมาดูด่าว่ากล่าวกันมาดูถูกเยยดยาำกันทำไมไม่เอาความรู้ความฉลาดเหล่านั้นมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้หลุดไปข้างหน้าพวกเราอยู่ในเข้า ป, ประชาคมอาเซียนไม่นานต่อไปข้างหน้าเนี่ยไ ม, ไม่ไม่กี่ปีเนี่ยแล้วพวกเราจะมาทะเลาะ ก, กันอยู่อย่างนี้นะหลวงพ่อ ออพอเข้าประชาคมอาเซียนแล้วประเทศใดประเทศไทยเป็นเอกราชมาตั้งแต่ดึกตําบรนตั้งแต่โอมรานแล้วมันเดินตามหลังประเทศที่เขาเพิ่งมาพัฒนาใหม่เพิ่งมาเป็นเอกราชใหม่เพิ่งได้รับอิสระใหม่ประเทศไทยออของเราเดินตามหลังเขาหลวงพ่อถ้าหลวงพ่ออยู่ในวัดป่าหลวงพ่อคงจะมุดเขาถ้าอีกให้ลึกกว่านี้อีกเหมือนเดิมอายเขาเหมื อ, เ อ, อ, อนเดิมทำไมประเทศชาติของเราถึงแย่ถึงขนาดนี้ ทำไมจึงไม่หันหน้าก็หากันทำไมไม่พัฒนาทำไมผิดได้ถูกไม่รู้เหรอใหญ่ขนาดนี้แล้วปริญญาตรีโทเอกเท่าไหร่ทำไมจึงไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจะได้ยาธรรมเข้าสู่จิตใ จ, จบ้างนะอันนี้ขอฝากไว้กับพวกเราทุกทุกท่านนะคณะสัายาติโยมทุกคนกนทะ่านอยู่เย็นเป็นสุกร่ำรวยโจกดีนะคณะสัตยาธิโยมทุกทุกท่าน